เกล็ดหิมะกัละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองเล็กๆที่ชื่อดันแคสเตอร์สถานที่แห่งความร่าเริงแต่ไปด้วยผู้คนที่อบอุ่นและเป็นมิตรยังมีครอบครัวที่น่ารักอยู่ด้วยกันสามคนเคิร์ตโอลิเวียและรอปนี่เป็นเวลาที่พวกเขาเชื่นชอบที่สุดของปีฤดูหนาว ดูหนาวในแดนแคสเตอร์เป็นช่วงที่น่ารักมากบนถนนถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวระยิบระยับและเด็กๆที่ออกมาเล่นข้างนอกปั้นบนหิมะและสโนว์แมวันหนึ่งในขณะที่หิมะตกเด็กๆออกมาวิ่งเล่นข้างนอกเคิรออกมากวาดหิมะจากทางเดินและดูแลรอบที่กําลังเล่นกับเด็กข้างบ้านที่รักชาได้แล้วนะคะกําลังไปที่รักพวกเขาเป็นครอบครัวที่มีความสุขมาก พวกเขาก็รักรอบลูกชายของพวกเขาอย่างไรก็ตามช่างแต่เสื้อก็จะขอพรอจากนางฟ้าให้พวกเขามีลูกสาวอยู่เสมอดูเด็กสาวที่กาลังเล่นสิพวกเขาน่ารักมากฉันอยากมีลูกสาวสักคนหนึ่งจะได้วีผมให้เธอและแต่งตัวให้เธอด้วยชุดที่น่ารักขณะที่พวกเขายืนมองจากหน้าต่างเขนมองเห็นเด็กสาวกำลังป้อนสโนว์แมนที่รักผมว่าเรามีวันวิเศษแบบนี้ พวกเราน่าจะออกไปข้างนอกไปปั้นสโนว์แมนกับรอบกันนะฟังดูน่ารักจังฉันจะไปเอาอุปกรณ์ของคุณในรองรถนะคะเราน่าจะสร้างเด็กหิ ม, มะเธอจะเป็นที่รักของเราและพวกเราจะรักเธอนั่นเยี่ยมไปเลยค่ะดังนั้นเคาจะไปเอาอุปกรณ์ของเขารอบปั้นลูกบอลหิ ม, มะขณะที่โอลิเวียเข้าไปทำกโกโก้ร้อนกับมาร์ชเมลโล่ข้างใน พวกเขาเริ่มปั้นตุ๊กตาตัวน้อยโดยเริ่มจากส่วนตัวตามด้วยมือและเท้าเล็กๆพ่อครับมาทำหัอยเธอเร็วเข้ามาสนุกมากเลยครับผมรอพบเกตฮิมะตัวน้อยไม่ไหวแล้วเกตฮิมะนั่นคือชื่อที่เราจะเรียกเธอจากนั้นพวกเขาก็เริ่มสร้างคางจมูกเล็กๆหน้าลักและตาสองข้างที่งดงามให้เธอเขาสร้างปากของเธออย่างระวัง และเธอก็พร้อมแล้วทุกอย่างสําเร็จแล้วไม่นานหิมะก็หยุดตกและเมฆก็หายไปพระอาทิตย์ออกมาสาแสงลงมาที่เกล็ดหิมะทันใดนั้นมีลมหายใจเล็กๆออกมาเคลิดประหลาดใจมากรอบรอกออกมาอย่างตื่นเต้นอ๋แม่ครับเธอมีชีวิตพระเจ้าเป็นไปได้อย่างไง สีหน้าของรอบสดใสคันด้วยความตื่นเต้นดวงตาและริมฝีปากของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงรัสเบอร์รี่เธอยิ้มให้พวกเขาอลิเวียวิ่งออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นเธอประหลาดใจหิมะวิ่งไปทางเธอพร้อมปล่อยหิมะทั้งหมดตามตัวไปตามทางโอ้พระเจ้านี่วิเศษสุดๆไปเลยนางฟ้ามอบพรแด๋วเราจริงๆเนะพวกเขาเข้าไปในบ้านอย่างมีความสุขเกิดหิมะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเ้อตัวโตและฉลาดขึ้น เด็กๆทั้งหมดในเมืองชอบมาเล่นกับเกล็ดหิมะวันหนึ่งเมื่อฤดูหนาวผ่านไปเกล็ดหิมะได้บอกแม่ของเธอเกี่ยวกับนางฟ้าแห่งผืนดินและท้องฟ้านางฟ้าแห่งสายน้ำกำลังรอหนูอยู่และเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงจ้าหนูจะไปกับพวกเขาไม่ต้องห่วงหนูนะคะแม่จะยังพบหนูได้ในใต้แม่น้ำก่อนที่หนูจะจากไปโอ้เกล็ดหิมะ หนูพูดอะไรแบบนั้นแม่จะไม่ยอมให้หนูจากไปไหนแม่คะหนูต้องไปแม่ก็เห็นหนูเป็นนางฟ้าแห่งวัฒนจักรของน้ำแต่แม่ต้องห่วงนะคะหนูจะกลับมาแต่หนูจะไปไหนล่ะหนูจะไหลไปตามแม่น้ำเพื่อเติมเต็มสายน้ำและมอบน้ำให้แดท่ทุกๆคนในเมืองแต่ว่าลูกรักไม่ต้องห่วงนะคะแม่หนูจะกลับมาคะ่ะเช้าวันต่อมา กล็หิมะรอบกำลังเล่นกับเพื่อนๆของพวกเขาใกล้แม่น้ำพวกเขาใช้เวลาในตอนเชา้าเล่นเกมและร้องเพลงบนผืนหญ้าไม่นานพระอาทิตย์ได้ส่องแสงจ้าเกล็ดหิมะเริ่มละลายข้างแม่น้ำจากนั้นไม่นานเธอก็ละลายและเปลี่ยนเป็นน้ำในแม่น้ำเ hey, ฮ่เกล็ดหิมะไปไหนอเธอไปไหนอ่ะกล็ดหิมะเกล็ดหิมะเกล็ดหิมะเด็กๆมองหาเธอจนทั่ว แต่ก็ไม่พบเธอเลยทันใดนั้นรอบได้ยินเสียงคนเรียกเขารอบรอบนั่นเสียงเกิดหิมะนี่ฉันก็ได้ยินเหมือนเสียงมาจากแม่น้ำพวกเขาวิ่งไปที่แม่น้ำและพบเด็กสาวกําลังลอยไปตามแม่น้ำเกิดหิมะนั่นเองบปกแม่ด้วยนะฉันจะกลับมาในไม่นานตอนนี้ฉันจะไปกับนางฟ้าแห่งสายน้าด้วยความสับสนรอบเกาหัวและพยักหน้า แล้วรีบวิ่งกลับไปบอกเรื่องนี้กับแม่ของเขาเกรดหิมะก็ไหลไปตามแม่น้ำเป็นนางฟ้าแห่งสายน้ำในวันหนึ่งเธอจะมาพบเพื่อนๆของเธอและนำน้ำให้พวกเขาดื่มกินและเอากลับบ้านนี่ค่ะคุณผู้หญิงขอบคุณมากหนูหน้อยหยุดนะฮฮฮฮฮดินแดนทั้งหมดเติมเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเมื่อเธอนาน้ามามอบให้เธอลอยไปกับสายน้า ดอกไม้ก็เบ่งบานหญ้าโตเขียวขจีนกบินร้องเพลงรอบๆ อ, อย่างไพเราะหลายเดือนผ่านไปเมื่อถึงฤดูร้อนทั่วทั้งดินแดนก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นแสงแดดสาดส่องลงมาอย่างสดใสเมื่อเด็กๆออกมาเล่นข้างแม่น้ำพวกเขากระโดดลงไปในแม่น้ำกับเกศหิมะเธาไหลไปและพาพวกเขาลอยไปตามแม่น้ำรอบรลอยตัวเล่นไปในแม่น้ำนี่สนุกจังเลย ถึงเวลาที่ฉันต้องขึ้นไปเป็นนางฟ้าแห่งท้องฟ้าและฉันก็จะระเหยขึ้นไปในอากาศแล้วก็จะบินไปในท้องฟ้ากับสายลมทําไมเธอต้องไปด้วยอยู่เล่นกับพวกเราไม่ได้เหรอถ้าฉันไม่ไปจะไม่มีสายลมพัดและเพื่ดอกไม้ก็จะผสมเกสรไม่ได้จะไม่มีอากาศบริสุทธิ์ให้นายได้หายใจไม่ต้องห่วงฉันจะกลับมาเร็วๆนี้ดังนั้น เกิดหิมะจึงระเหยและขึ้นไปบนท้องฟ้าบินผ่านต้นไม้และล่องลอยไปกับสายลมเคิด อ, ออกมาจากต้นหญ้าที่สนามหญ้ามีลมเอื่อยเอื่อยพัดมาหาเขาเขามองขึ้นไปและประหลาดใจมากเขามองเห็นกิหิมะลอยอยู่บนอากาศสวัสดีค่ะคุณพ่อโอ้สวัสดีลูกรักโอลิเวียดูสิว่าใครมาโอ้ดีจริงๆที่ได้พบลู ก, ลกรัก เออมันสนุกมากค่ะที่ได้บินกับสายลมหนูบินไปกับนางฟ้าแห่งท้องฟ้าทั้งวันและทั้งคืนหนูพัดผ่านป่าและต้นไม้ขณะที่นกเข้านอนหนูจะกลับมาเร็วๆนี้คุณพ่อกับคุณแม่น่าจะก่อนฤดูหนาวนี้นะคะดูแลตัวเองนะลูกรั ก, กอกรีมะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ากับสายลมในที่สุดฤ ด, ดูหนาวก็มาเยือน หิมะเริ่มปกคุมทั่วทั้งเมืองไปด้วยสีขาวแม่ครับพ่อครับหิมะตกแล้วหิมะตกแล้วเกล็ดหิมะจะกลับมาบ้านแล้วโอ้ในที่สุดแม่เตรียมบิสกิตไว้ให้เธอแล้วนะพวกเขาวิ่งรีบออกไปที่สนามเพื่อพบกับลูกสาวตัวน้อยของเขาและในไม่ช้าหิมะก็กระจายออกเกล็ดหิมะได้ออกมาเธอดูตัวสูงขึ้นและวิ่งไปหาพ่อแม่ของเธอและกอดพวกเขาแน่นเนือดีใจามากที่ได้กลับมาโอ้เกล็ดหิมะตัวน้อย พ่อดีใจมากที่หนูกลับมาเธอจะไม่จากพวกเราไปอีกใช่ไหมเออรอบบี้ฉันเป็นนางฟ้าแห่งวัฒจักรของน้ำและฉันได้ถูกเลือกจากพระแม่แห่งธรรมชาติเทพีแห่งผืนโลกเพื่อเติมเต็มผืนดินด้วยน้ำตลอดทั้งปีดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปในแต่ละฤ ด, ดูกาลฉันจะต้องเข้าสู่วัฒจักรของน้าเปลี่ยนจากหิมะกลายเป็นน้าและระเหยขึ้นไปกลายเป็นไอน้า และตกลงมาเป็นหิมะแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะอยู่กับนายในรูปแบบต่างๆตลอดทั้งปีเลยล่ะโอ้ลูกรักเข้ามาก่อนเร็วและทำบิสกิตที่ลูกชอบเอาไว้ด้วยนะดังนั้นพวกเขาจึงเข้าไปในบ้านและมีความสุขไปกับชาและบิสกิตเกิดหิมะยังคงมอบความสุขแด่ผู้คนในดินแดนแดนคสเตอร์ในฐานะนางฟ้าแห่งวัฏจักรของน้ำ